ของวัฒนธรรมประเพณีเป็นต้นบางเช่นว่าอย่างนี้สุภาพอย่างนั้นสวยงามอย่างนั้นถูกธรรมเนียมอย่างนี้ผิดธรรมเนียมเป็นต้นหมายรู้ตามนิยมและปรุงแต่งเฉพาะตนบางเช่นว่าอย่างนี้สวยอย่างนั้นน่าชมอย่างนี้น่าหมั่นไส้เป็นต้นหมายรู้สองชั้นแบบสั ญ, ญลักษณ์บางเช่นว่า สีเขียวแดงหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเสียงระฆังสองครั้งหมายถึงการกินอาหารตลอดจนหมายรู้ตามการศึกษาอุปโรมในทางธรรมเช่นหมายรู้ในภาวะที่ไม่เที่ยงหมายรู้ในภาวะที่เป็นอนัตตาเป็นต้นมีทั้งความหมายรู้สามัญและความหมายรู้ที่ละเอียดซับซ้อนคือสัมพันธ์กับขันอื่นมากขึ้น มีทั้งหมายรู้เกี่ยวกับรูปธรรมและหมายรู้เกี่ยวกับนามธรรมคำที่แปลสัญญากันว่าจำได้กาหนดได้หมายรู้กาหนดหมายจำหมายสำคัญหมายล้วนแสดงแง่ต่างๆแห่งความหมายของกองสัญญานี้ทั้งสิน้นพูดเพื่อเข้าใจกันอย่างง่ายๆสัญญาก็คือกระบวนการเรียกเก็บรวบรวมและสั่งสมข้อมูลของการเรียนรู้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 มานะและทิฏฐิซึ่งเป็นสังขารชั้นนำในฝ่ายร้ายอีกอย่างหนึ่งการแยกเช่นนี้จะช่วยให้มองเห็นความหมายของสัญญาที่กำลังแสดงบทบาทอยู่พร้อมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสัญญากับขันอื่นภายในกระบวนธรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในวิสุทธิมักอันเป็นคำภีชั้นอัตถกถาแสดงลักษณะหน้าที่เป็นต้นของสัญญาไว้ว่าสัญญา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 ยึดถือไปตามเครื่องหมายที่ตนจับได้ว่าช้างเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมีประทัดฐานคืออารมณ์ตามที่ปรากฏเหมือนลูกเนื้อเห็นหุ่นคนที่ผูกด้วยมัดยาสำคัญหมายว่าเป็นคนจริงๆถ้าเทียบกับหลักจิตวิทยาฝ่ายตะวันตกสัญญาจะครอบคลุมเรื่อง perception conception และ recognition แต่ไม่ใช่ memory ทั้งหมด